บุกทูหกสิบเก้าตวต้องการอยากไวเยดกริเบตด่ฉันต้องการเตียงมันวเยรกกูลตุดิฉันอยากนอน บุูลที่นี่มีเตียงไหมไวแตอูตดิฉันต้องการโคมไฟมัวยกลปุกดิฉันอยากอ่านหนังสือเอสรีบุลซที่นี่มีโคมไฟไหม ไวแต่อล้อมปะดิฉันต้องการโทรศัพท์มันวิ่งเ e ลิฟโฟนดิฉันอยากโทรศัพท์เอสกรีบุปเปอส์วานิที่นี่มีโทรศัพท์ไหมไวต่อเตเลโฟนส์ดิฉันต้องการกล้องถ่ายรูป มันวิ่งฟุตอัปปราตุดิฉันอยากถ่ายรูปเอ็กรีบุกฟอโตกที่นี่มีกล้องถ่ายรูปไหมไวเตอีฟฟุตอัปปราตดิฉันต้องการคอมพิวเตอร์มันวดัตโดิฉันอยากส่งอ e ีเมล Es g r i b บ nosūtīt e p a อ t a v ต s t u l ต t ī n ที n ่นี่มีคอมพิวเตอร์ไหมไวเตอีร์ดอตเตอร์สด k ฉันต้องการปากกาลูกลื่นมันไวเยกบิลส์เปอร์ดิฉันอยากเขียนอะไรหน่อยเอสริุรติ ที่นี่มีกระดาษและปากกาไหมว่าแตอิร์พอปีรลัปอนปลสลว